พระบัญญัติ444ก็ภิกษุใดเมื่อภิกษุยกปฏิโมกข์ขึ้นแสดงอยู่ทุกกึงเดือนกล่าวอย่างนี้ว่ากระผมเพิ่งทราบเดียวนี้เองว่าทราบว่าทําแม้นี้มาในพระสูตรอยู่ในพระสูตรมีการยกขึ้นแสดงทุกกึงเดือนถ้าภิกษุเหล่าอื่นจําภิกษุนั้นได้ว่าเมื่อภิกษุยกปฏิโมกข์ขึ้นแสดงอยู่ภิกษุนี้เคยนั่งอยู่2อถึงสครั้งมาแล้วไม่จําต้องกล่าวมากครั้งยิ่งกว่า ภิกษุนั้นย่อมไม่พ้นเพราะความไม่รู้แต่ภิกษุนั้นจะต้องอาบัตใดเพราะประพฤติไม่เหมาะสมนั้นพึงปรับอาบัตินั้นตามธรรมและพึงยกโมหาโรปนกรรมขึ้นมาปรับเพิ่มให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าท่านไม่ใช่ลาบของท่านท่านได้ไม่ดีที่เมื่อภิกษุยกปฏิโมกขึ้นแสดงอยู่ท่านไม่ใส่ใจฟังให้สําเร็จประโยชน์ด้วยดีต้องอาบัตปาจิตตี เพราะแซงทมผู้อื่นให้ลงนั้นเรื่องพระชบาคีจบ